ผมชอบที่ยกตัวอย่างว่ามรดยืนต่อหน้าแม่เรารู้สึกเราเป็นใครคนหนึ่งที่เป็นลูกมรดยืนต่อหน้าลูกเรารู้สึกเราเป็นใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่ต่อหน้าแม่หรือลูกของเราเป็นอย่างไะนนครับภาพสะท้อนนั้นนั้นนะครับเปรียบเหมือนภาพลวงตาในทะเลทรายหรือ ในฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัดทําให้เกิดชั้นบรรยากาศลําแสงของที่เดินทางจากวัตถุชิ้นหนึ่งชิ้นใดจะเป็นต้นไม้หรือตัวอาคารนี้ต่ละมันเกิดการสะท้อนกลับหมดครับจากชั้น บ, บรรยากาศทําให้เราเห็นภาพมีน้ํำนองอยู่ข้างหน้าแต่คั้นพอเราเดินทางเข้าไปถึงแหล่งที่มันเกิดจริงๆปรากฏมันไม่มีครับพอเราถอยกลับมาที่ตําแหน่งเดิมมันปรากฏมีขึ้นอีกแล้วครับ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 ก็กินไม่หมดเพราะมันมากมีชา บ, บ้านคนหนึ่งเอามาให้เขาก็นำไปฝังครับตัวสุนัข ก, ก็ขุดคุยฝังแต่ผมสังเกต ด, ดูเขาลืมไปวันสองวันเขาเขาลืมมันก็ทําอะไรแต่มีวันหนึ่งขณะที่นอนนอนอยู่เขาสะดุ้งเขางงหัวขึ้นมาผมนั่งก้างๆเนเดกเกาเขาต้องคิดอะไรออกลนะแล้วเขาวิ่งจ้องที่ตรงนั้นที่เขาฝังกระดูกคุยขึ้นมาแล้วกินมันแสดงเขาเพิ่ง น, นึกออกครับ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 ถากับกลายเป็นวัวพันหลัผมเชื่อว่าทุกคนหลายคนคงเข้าใจคำวัวพันหลัแต่ถ้าคนรุ่นใหม่อาจจะลำบากครับเพราะไม่ค่อยเห็นไม่คอยเห็นวัวไรวัวที่มันดิ้นยันหนีไปกลางทุ่งไปกินหญ้ามันยิ่งดิน้นแต่ละยิ่งพันตัวมันเองเข้าในสุดวันถึงชั่วขณะหนึ่งก็ล้มตึงทุกๆขณะกระแสความคิดไหลผ่านเราเนี แล้วสิ่งที่เรียกกันว่าอาสะวะผ่านเข้ามาทาความคิดกระแสะอาสะวะไหลต่อเนื่องอยู่ในตัวเราครับโดยที่เราไม่รู้ตัวดะนั้นหลักธรรมในพุทธศาสนานั้นชี้ตรงไปสู่การทำลายความไม่รู้ตัวครับเพื่อเข้าไปตัดกระแสะอาสะวะที่ไหลยอยู่ลึก